ชันตุชนสมาทานวัดทั้งหลายเองเป็นผู้ข้องในสัญญาย่อมดำเนินไปผิดๆนะคือสมาทานข้อปฏิบัติเอาเองนะพอสมาทานข้อปฏิบัติอันนี้ก็ข้องติดในสัญญาความเข้าใจของตัวเองนั่นแหละก็เลยดำเนินไปผิดๆนะนะดำเนินไปตามมิจฉาห ม, มากนะนะส่วนบุคคลผู้มีความรู้คือพระอรหันเนี่ยรู้ธรรมะคืออริยสัจด้วยปัญญาทั้งหลาย คือด้วยความรู้เนี่ยเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินย่อมไม่ดําเนินไปผิดผิดทุกๆเนี่ยนะพูดถึงคคนทั่วๆไปนะสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปลัทธิทั่วๆ ไ, ไปก็เป็นอย่างนี้แหละพากันสมาทานวัดเองเรายึดถือในสัญญาของตัวนั่นแหละก็เลยดําเนินไปในผิดๆเนีนะดำเนินไปตามมิจฉาปฏิปทาแต่พระอรหันต์เนี่ยผู้บริบูรณ์ด้วยปัญญาเห็นอริยสัจมีปัญญากว้างขวา ง, วางเหมือนแผ่นดินเนี่ยท่านไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยนะ คำว่าชันตุชนสมาทานวัดทั้งหลายเองมีความว่าสมาทานเองก็คือถือเอาเองนะสมาทานเอาเองถือเอาเองคำว่าวัดทั้งหลายคือชันตุชนถือเอาสมาทานถือเอาถือเอาโดยเอื้อเฟื้อสมาทานแล้วรับเอาแล้วถือมั่นแล้วซึ่งนะวัดอะไรเหมือนช้างเหมือนมา้าเหมือนโคเหมือนหมาเหมือนกาเหมือนวาสุเทพธละวัดปุณณวัดมณีพัฒวัดเหมือนไฟเหมือนนาศเหมือนครุดเหมือนยักษ์เหมือนอสูรจนถึงวัดในทิศต่างๆมันพวกสัตว์ทั้งหลายก็เป็นแบบนี้กัน ก็ถือรับที่อื่นที่ที่เห็นเห็นอยู่ในยุคนี้นะก็คือข้อปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แคือไม่มีสัมมาทิฏฐิที่จะไปเห็นอริยสัจไม่มีกุศลเนกกุศลสังกปะเนี่ยนะไม่ประพฤติไปตามสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามแนวสติปทานสัมมาปทานอิธิบาทอินทรีย์พละ โพชงอรยิยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดะนะข้อปฏิบัติอื่นๆนอกจากนี้แหละเรียกว่าข้อปฏิบัติเพื่อเพื่ออะไรเพื่อวัตตะทั้งหลายนะก็พากาันสมาทานข้อวัดปฏิบัติลัทธิเหล่านี้ขึ้นนะนะคำว่าเป็นผู้ข้องในสัญญาย่อมดำเนินผิดผิดถูกๆูเนี่ยนะะผู้ที่เป็นอย่างนงี้ก็ทําผิดบ้างทําถูกบ้างอะ่ะ ก็ผู้คล้องอย่างนี้ก็จากาศาสดาต้นถึงาศาสดาหลังจากธรรมะที่าศาสดาต้นบอกถึงธรรมะที่าศาสดาหลังบอกจากหมู่คณะต้นถึงหมู่คณะหลังจากทิฏฐิต้นถึงทิฏฐิหลังจากปฏิปทาต้นถึงปฏิปทาหลังจากมักต้นถึงมักหลังเนี่ยนะโอ้ยไม่รู้ไปปฏิบัติมาไม่รู้กี่รัฐที่กี่ข้อวัดกี่ข้อปฏิบัติมาแล้วนะก็ไปกัน คำว่าเป็นผู้ข้องในสัญญาก็คือผู้ข้องเกี่ยวข้องข้องทั่วติดอยู่พัวพันอยู่ในกามสัญญาะนะก็จริงๆอ่ะที่สแสวงหาก็สแสวงหากามนั่ น, น, น, นแหละแสวงหาความพยาบาทวิหิงสาสัญญาทิฏฐิสัญญ า, ญญาเหมือนสิ่งของที่ข้องเกี่ยวข้องข้องไปทั่วติดอยู่พันอยู่เกี่ยวพันอยู่ที่ตาปูอันตรกติดฝาหรือที่ไม้ขอฉะนั้นะนะคือข้องอยู่ในสัญญานะทั้งอกาลมสัญญาอย่างสมัยเนี้ย ก็คือชมว่าถ้ามาปฏิบัติแบบนี้จะร่ําจะรวยจะมั่งจะมีจะบริบูรณ์ด้วยรูปเสียงเปลี่นรสเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ยข้อปฏิบัติอันเนี้ยคนเนี่ยแหกันมาทําตามกันบานเนี่ยนะบางพวกก็หนักไปทางพยาบาทบางพวกก็หนักไปทางเบียดเบียนบางพวกก็หนักไปทางลัทธิต่างๆเพราะฉะนั้นพวกนี้ยคล่องอยู่ในสัญญาก็ดําเนินไปผิดๆทุกๆกันนะมันก็เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างอ่ะนะมันจะไปบาปบริสุทธ์อะไรมันก็มีบุญมยูบ้างแต่มันน้อยเกินไปอะ่ะ มันผ <departed. |mt|>. no. <tr> ู้ส่วนผู้มีความรู marathon, ้รู้ธรรมะทั้งหลายด้วยความรู้เนี่ยนะคือผู้ที่มีความรู้ก็คือผู้มีความรู้คือถึงวิชามียานมีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทาลายกิเลสเนี่ยนะคำว่าด้วยความรู้ทั้งหลายเห็นคือผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้มีความรู้เนี่ยนะก็คือที่มีความรู้ก็รู้ด้วยยานในมรรคทั้งสี่ปัญญาปัญญินีปัญญาพละ ธรรมวิจยะสัมโพชงปัญญาเครื่องพิจารณาวิปัสนาสัมมาทิฏฐิเรียกว่าความรู้บุคคลผู้มีความรู้นั้นถึงที่สุดบรรลุที่สุดถึงถึงส่วนสุดบรรลุส่วนสุดถึงที่สุดรอบบรรลุที่สุดรอบถึงที่สิ้นสุดบรรลุที่สิ้นสุดถึงที่ป้องกันบรรลุที่ป้องกันถึงที่รับบรรลุที่รับถึงที่พึ่งบรรลุที่พึ่งถึงที่ไม่มีภัยบรรลุที่ไม่มีภัย ถึงที่ไม่จุติบรรลุที่ไม่จุติถึงที่ไม่ตายบรรลุที่ไม่ตายถึงนิพพานบนรรลุนิพพานแห่งชาติชรามรณะด้วยความรู้ทั้งหลายคือพ้นจากทุกเนี่ยนะด้วยด้วยความรู้ความรู้ในที่นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่เกิดร่วมกับ อริยมรรคเนี่ยโสดาปฏิมรรคสกธาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคอะอาศัยอริยมรรคทั้งสีเนี่ยที่เป็นปัญญาปัญญินรีปัญญาพระธรรมวิจยะสัมโพชงเนี่ยธรรมเครื่องพิจารณาวิปัสนาสัมมาทิฐิที่ในองมรรคอะปัญญาเหล่านี้นี่แหละที่ทําให้ตรัสรู้ที่ทําให้บรรลุอริยมรรคผลนิพพานอีกอย่างหนึ่งบุคคลชื่อว่าเวทคูเวทคูคือผู้ถึงเวทเนี่ยนะเพราะอาธถว่าถึงที่สุดแห่งความรู้ทั้งหลายบ้าง เพราดว่าถึงที่สุดด้วยความรู้ทั้งหลายบ้างและชื่อว่าเวทคูเพราะเป็นผู้รู้แจ้งธรรมะเจ็ประการคือเป็นผู้รู้แจ้งสากายะทิฐิวิจิกิจชาสีรพระตาปรามาตราฆโทสะโมหะมานะและเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งอคุโส ร, รธรรมอลามกทั้งหลายอันทําความเศร้ามองให้เกิดในภพใหม่มีความกังวลกวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นปัจจัยแห่งชาติชราและมรณะต่อไป ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนสพิยะบุคคลเลือกเฟ้นเวททั้งหลายของพวกสมณะพรามที่มีอยู่เป็นผู้ปราศจากราคะในเวทนาทั้งปวงล่วงเวททั้งปวงแล้วชื่อว่าเวทคูเนมนะัผูู้เป็นเวทคูจริงๆก็คือผู้ละกิเลสก็คือเจริญเวทนานุ ป, ปัสนาจนบรรลุปเป็นผ้าหันหนู่นแหละเรียกว่าเวทคู คำว่าส่วนบุคคลผู้มีความรู้เนี่ยนะก็คือรู้ธรรมะด้วยความรู้ทั้งหลายนะผู้ที่รู้ธรรมะด้วยความรู้ทั้งหลายเนี่ยเขารู้อะไรรู้ธรรมะเนี่ยนะรู้สีเสียงกลิ่นรสหรือเรียกว่ารู้ธรรมะเนี่ยนะแค่ไหนจึงจะเรียกว่ารู้ธรรมะเนี่ยนะได้ยินเสียงนี้ชื่อว่ารู้ธรรมะหรือยังคุณผู้ชมเนี่ยนะเนี่ยเห็นเนี่ยชื่อว่ารู้ธรรมะหรือยังเนี่ยนะคำว่ามีความรู้นะก็คือรู้รู้เฉพาะซึ่งธรรม คือรู้ว่ารู้เฉพาะซึ่งทําว่าสัพเพสังขาราอนิจจานะคือขันอาญตนะธาตุที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยไม่เที่ยงนะสัพเพสังขาราทุกขาก็คือขันอาญตนะธาตุที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยเป็นทุกข์สัพเพธรรมานาตาทำทั้งปวงโดยที่สุดแม้นิพานก็เป็นอนาตานะก็รู้ไตรลักษณ์นะถามว่าถ้ารู้จริงนะเช่นถ้ารู้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอะนะ สเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปสติอาธานิปินติดุเขสั ม, มโควิสุทธยานเนนะเมื่อใดบุคคลเห็นสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงตามเห็นนะเห็นด้วยวิปัสนาปัญญาว่าสังขารเนี่ย ไม่เที่ยงเช่นขันในอดีตชาติก็สิ้นไปแล้วในอดีตชาติขันในชาติหน้าก็จะสิ้นในชาติหน้าขันในชาตินี้ก็จะหมดในชาตินี้นั่นแหละพิจารณาความสิ้นไปตามลําดับวัยเป็นต้นเนี่ยพิจารณารูปในสี่สมุทฐาน4ี่พิจารณาขันอายตนะธาตุเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีเบื้องต้นและมีเบื้องปลายเนี่ยนะ มันถ้าเห็นอย่างนี้ทั้งของขันในภายในขันทั้งภายนอกก็ย่อมจะเบื่อหน่ายในขันทั้งปว ง, บวตต ง, ปวงวเบื่อหน่ายในวัตตะทั้งปวงความเบื่อหน่ายในในวัตตะนั่นแหละเป็นทางแห่งเป็นทางนะคือไอความเบื่อหน่ายเป็นอุปนิสยัยแก่ทางคืออารยมร์นั่นแหละจะทำให้บริสุทธิ์ได้อย่างนั้นคือบรรลุพระนิพพานได้อย่างนั้นเห็นไเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ในยะเดียวกันทีนี้ผู้ที่ มีปัญญามีความรู้จริงๆก็ต้องรู้่าเพราะาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารนนนเนี่ยนะปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอาเนชาพิสังขารมีว<น>ิชาเป็นปัจจัย่นะสังขารเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เวทนาเป็นปันจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปันจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปันจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปันจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปันจจัยจึงมีชรามรณะนี่นะทว่าให้เต็มกสโสกะปริเทวะทุกขโท ม, มนัตอุปาญาต์ก็เติด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเนี่ยนะถ้าถ้าเราลองมาค่อยๆไล่ทีละทวานนะอย่างทวานตานี่มาอย่างไงใช่ไหมตัวตาเนี่ยตานี่มาจากไหนมาจากนามรูปนามรูปมาจากไหนมาจาก ต า, hey. ตาคือสลายยตนามาจากนามรูป น, นามรูปเราเนี้ยมาจากกรรมวิญญาณมาจากวิบากวิญญาณวิญญาณมาจากสังขารสังขารมาจากอวิชชาเพราะนอวิชชาเป็นปัจจัยจึงทําให้ทํากรรมกรรมตัวนั้นเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเนี่ยทำให้มีตาทีนี้พอตามองเห็นเนี่ยนะมีตาอย่างนี้ก็อาศัยจากขู่กับรูปก็เกิดจากขู่วิญญาณธรรมสามอย่างประชุมกันก็เป็นภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิด ตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมี ilyn, อุปาทานอุปาทานเกิดก็ทำกรรมเมื่อทำกรรมก็ทำไม่ให้มีอะไรก็มีตาอีกเมื่อมีตาล่ะก็มาเห็นะนะเมื่อมีตาก็อาศัยตากับสีเกิดจากครูวิญญาณนะธรรมะสมอย่างประชุมกันก็เป็นภาษ า, าภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมี impaired, ตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีตาก็ไหลไปอย่างนี้นะมันก็เลยคิดว่าไกลกับใครใครไกลไกลกับใครอยู่นี่แหละ ก็เลยไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดก็เป็นไปอยู่อย่างนี้นะงัานก็เลยว่าอยู่ท่ามกลางอยู่ตลอดนะทวารจมูกทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นก็ลักษณะเดียวกันเห็นนะเพราะนันแต่ว่าโดยรวมๆในอดีตก็อวิชานะั่นแหละคือไม่เห็นอริยสัจก็ทำบุญบ้างทำบาบ้าง ทำอนเน็นชาบ้างะนะก็นำปฏิสนธิเกิดในภพต่างๆเมื่อเกิดนามรูปก็ยังลงเมื่อนามรูปยังลงก็ทำให้อายตนะบริบูรณ์เมื่อมีอายตนะคือตาหูจมกูกเลนกายใจก็รับผัสส น, นะนะเมื่อมีผัสสนีเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยก็มีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยก็มีภพต่อไป เมื่อทเมื่อมีพบก็มีชาติวัตตะทั้งหลายก็เป็นไปอย่างนี้นะจวบแต่ละชาติที่เกิดขึ้นก็มีชรามรณะเป็นที่สุดนี่นะเขาเรียกว่าชรณะชรามรณะบ่อยๆก็มาจากการเกิดบ่อยๆที่เกิดบ่อยๆก็เพราะทากรรมบ่อยๆที่ทากรรมบ่อยๆก็เพราะมีกิเลสบ่อยๆนั่นแหละก็เป็นไปอย่างนี้แหละวัตตะทีนี้ถ้าสำรอกอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือล่ะ ถ้าดับอวิชชาด้วยอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคคือสโสดาปติมรรคสกธ า, า, านะคามิมรรคอนาคามิมรรคตลอดจนถึงอรหัตมรรคที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อริยมรรคที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยสํารอกอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือถ้าสํารอกได้อย่างนี้สังขารก็ดับเพราะสังขารดับวิญญาณก็ดับเพราะวิญญาณดับน้ํารูปก็ดับเพราะนารูปดับสลายตนะก็ดับเพราะสลายตนะดับภาษาก็ดับเพราะภาษาดับเวทนาก็ดับ พระเวทนาดับตันหาก็ดับถ้าตันหาดับอุปาทานก็ดับพระอุปาทานดับภพก็ดับเพราะภพดับชาติก็ดับพระชาติดับชรามรณะโศกาปริเทวทุกโทมนัสและอุปายาตก็ดับผู้ที่มีความเข้าใจอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้มีความรู้นะความรู้อันนี้ไม่ใช่ท่องได้เฉยๆนะคือความรู้ที่กล่าวเอามาเห็นอย่างจริงในชีวิตเนี่ยลืมตามองเห็นก็เห็นธรรมะอย่างที่กล่าวนี้เลย มีความเข้าใจว่าชีวิตไปยังไงมายังไงหมุนเวียนไปยังไงอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมอะไรเป็นกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏแล้ววัตตะเหล่านี้เป็นขันอายตนาธาตได้ยังไงอะไรเป็นทุกขสัตตสมุทยรรัยสัตต์เนี่ยนะรู้ความเป็นไปทั้งภายในทั้งภายนอกอย่างนี้แหละเมื่อรู้รู้เฉพาะซึ่งวันนี้ทั้งหมดที่กระทุกนะขันห้าเนี่ยคือทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนะตัวปัจจัยทั้งหลายเนี่ยคือเหตุให้เกิดทุก ถ้าตัวทุกข์กับปัจจัยที่ไม่เป็นไปเรียกว่าความดับทุกข์ด้วยข้อปฏิบัติคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดทให้ถึงความดับทุกข์ก็คือรู้อริยสัจนั่นเองอย่างรู้ว่านี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นะนะดูว่านี้อาสะวะนี้เหตุเกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสะวะนะนะนั้นก็ต้องสามารถแยกแยะให้ออกให้เป็นนะ นี้ธรรมะควรรู้ยิ่งนี้ควรกำหนดรู้นี้ควรละนี้ควรเจริญนี้ควรทำให้แจ้งแลยกแยะเป็นแล้วก็รู้ว่านี้รู้เหตุเกิดความดับอัสสาธาอาทีนวะนิสรณะของตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเกิดด้วยเหตุเท่าไหร่ถ้าจะดับดับด้วยเหตุเท่าไหร่แล้วอะไรเป็นอัสสาธาคือความน่ายินดีน่าพอใจของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะ แล้วถ้าจะแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกขอย่างไรเป็นโทษอย่างไรแปรปรวนไปยังไงแล้วตัดฉันทราคาในตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ยังไงเ น, นี่ยนี่เราเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รู้เฉพาะอย่างนี้แหละหรือว่ารู้รู้เฉพาะซึ่งเหตุเกิดความดับอัาธ า, าอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันท่าเช่นว่าอุปาทานขันท่าจะเกิดก็เกิดด้วยอาการยี่สิบห้าถ้าจะดับก็ดับด้วยอาการ 25เนี่ยรู้เหตุเกิดความดับของขันห้าโดยอาการ50าสิฉันทราคะคือความติดใจเยื่อใยในขันห้าเป็นอสสาธาของขันห้าความที่ขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโทษของขันห้าเนี่ยนะการตัดฉันทราฆะในขันห้าได้เป็นนิสรณะในขันห้าอันผู้ที่มีความรู้จริงๆก็พิจารณาเห็นขันห้าวันนี้ทุกข์นะนี้เหตุแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อ่ะ และรู้รู้ว่ารู้เฉพาะซึ่งเหตุเกิดความดับอสสาธาอาทีนวะนิสรณะของมหาภูตรูปสี่ น, นะปัทวีทาธาตุอาโปาธาตเตโชาธาตุเนี่ยนะว่าปัทวีทาธาตุคือผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยเกิดด้วยอาการเท่าไหรดับด้วยอาการเท่าไหรเหตุเกิดความดับของสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงอะไรเป็นอสสาธาอะไรเป็นอาทีนวะและนิสรณะทายท้อนสิ่งเหล่านี้ออกไปได้อย่างไงอันนี้แหละจะเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้รู้เฉพาะเนี่ยนะ